สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดําเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัศน์วันนี้ขอนําเสนอท่านผู้ฟังด้วย40ภิกษุณีพระอรหันต์เป็นหนังสือของห้างธรรมสภานะคะผู้จัดทํารายการขอขอบพระคุณคุณสุดที่รักสุขธรรมที่ได้กรุณาส่งหนังสือดีๆมายังรายการโดยตลอด ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาทั่วทุกภาคนะคะจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟัง40ภิกษุณีพระอรหันต์ค่ะ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 ทำให้มีสตรีเข้ามาบวชมากจนที่พักไม่เพียงพอต้องควบคุมให้ปวัตินีแต่ละท่านบวชสิกมนาเป็นภิกษุณีได้เพียงปีเว้นปีและบวชให้ได้ครั้งละหนึ่งรูปหลังทรงอนุ ญ, ญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีบวช ด, ด้วยครุธรรมแปดแล้วครุธรรมนั่นแหละเป็นแบบแผนการประพฤติตนของภิกษุณีทั้งหลาย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 และใช่ว่าภิกษุณีที่ไม่ได้เป็นเอตัคคะจะไม่มีความรู้ความสามารถหรือคุณวิเศษต่างๆก็หาไม่ต่างแต่เพียงว่าท่านเหล่านั้นมิได้ตั้งความปรารถนาและสั่งสมบุญญาธีการไว้เหมือนท่านที่เป็นภิกษุณีเอตัคคะเท่านั้นหนังสือเล่มนี้แสดงประวัติภิกษุณีเป็นสองกลุ่มคือหนึ่ง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 โดยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า40ภิกษุณีพระอรหันต์ชีวประวัติและคำสอนของพุทธสาวิกาสมัยพุทธกาลคณะผู้จัดท ร, ร ม, มีความปรารถนาและมุ่งหมายว่าการเรียบเรียงนี้จะกระทาให้พุทธศาสนิกชนได้ความรู้ความเข้าใจในวิถีกรรมวิถีชีวิตและวิถีธรรมของพระภิษุณีทั้งหลาย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 พระนางมหาประชาบดีกราบทูลขอบวชครั้งที่หนึ่งถึงสองขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่คูตการสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีแคว้นวัดจีพระเจ้าสุดโททนะก็ทรงทาให้แจ้งพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์และสวรรคตพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาร่วมพิธีศพอธกถาเล่า ว, ว่าครั้งนั้น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 พระนางได้พบกับพระอนุนทรงขอให้พระอนุ์ช่วยกราบทูลอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สตรีได้บรรพชาอุปสมบทอธกถาอธกานิบาทว่าพวกเจ้าศักยะและโกรยะต้องการจัดส่งพวกนางไปด้วยวอทองแต่ถูกปฏิเสธเพราะเกรงว่าจะไม่เป็นการเคารพพระาศาสดา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 ท่านพระ อ, อ น, นุเข้าเฝ้าแล้วกราบทูลรายงานขณะการมาของเหล่านางสาวกิยานีอันมีพระนางมหาประชาบดีเป็นประธานทูลว่าขอประธานวาโรกาสขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลย อ, อ น, นุนเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต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 นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. พิกษุณีอยู่จำพันษาแล้วต้องปราวณาในสงฆ์สองฝ่ายโดยสถานที่สคือโดยได้เห็นหนึ่งโดยได้ยินหนึ่งหรือโดยรังเกียจหนึ่งทำแม้นี้พิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5.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 พระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคารุษธรรมแปเป็นภิกษุณีรูปแรกท่านพระอนนท์ทําความเข้าใจคารุษธรรม8ประการแล้วออกไปพบพระนางชี้แจงว่าถ้าพระนางยอมรับคารุษธรรม8ทําทั้ง8ดนั่นแหละจะเป็นการอุปสมบทของพระนางจากนั้นก็แสดงคารุษธรรม8ประการให้ทรงสดับจบแล้วพระนางตรัสว่า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 ดูก่อนอานน์ก็ถ้าสตรีจะไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินยัยที่พระธถาคตประกาศแล้วพรหมจันยร์จะตั้งอยู่ได้นานพระสัตทธรรมจะตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีแต่บัดนี้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพรหมจันทร์จะไม่ตั้งอยู่นาน พระสัตธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียงห0 0รอปีเท่านั้นดูก่อนอาโนนสตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินายใดธรรมวินายนั้นจะเป็นพรหมจรรย์ที่ตั้งอยู่ไม่นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าไดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กาจัดได้โดยง่าย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพี้ยนที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้นจะไม่ตั้งอยู่นานดูก่อนอานน์บุรุษกัน้นทำนบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ําไหลไปแม้ฉันใด เราบัญญัติครุษธรรม8ประการแก่ภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันอธิกถาทีบายว่าหากยังไม่ได้ทรงบัญญัติครุษธรรม8ประการพระสัตธ ร, รมจะตั้งอยู่ได้500ปีแต่เมื่อบัญญัติครุษธรรม8ประการจึงทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้อีก500ปีรวมแล้ว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 ปชาบดีโคตมีต้องการให้ภิกษุและภิกษุณีเคารพกันตามอาวุโสพระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปหาพระอนุลแจ้งว่าพระนางคิดที่จะทูลขอให้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุและภิกษุณีทำการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมตามลาดับอาวุโส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 อธิบายคารุ ธ, ธรรม8อัตถคารุ ธ, ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าครุ ธ, ธรรมเมฮิหมายถึงธรรมอันหนักหรือครุ ธ, ธรรมเพราะเป็นธรรมที่ภรริกษุณีทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่หนึ่ง ภิกษุณีแม้บวชแล้วร้อยพันษาต้องกราบไหว้ทำความเคารพภิกษุภิกษุณีพึงกระทาวัดอันสมควรแก่ภิกษุเช่นการหลีกทางให้การพัดวีการไต่ถามด้วยความเอือ้อเฟื้อถึงความต้องการเช่นน้ำดื่มเป็นต้นยามที่ภิกษุมาถึงที่อยู่ของภิกษุณีเพื่อให้โอววาส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 ในที่ประชุมใหญ่มีภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่จะไหว้ครั้งเดียวก็ได้แม้ในอัญชลีกรรมก็พึงทำเช่นเดียวกับสามีจิกรรมภิกษุนี้นั่งแล้วในที่ใดที่หนึ่งเมื่อเห็นภิกษุมาก็พึงทำการลุกรับเป็นต้นตามสมควรแก่สถานที่หรือเวลาที่สมควรแก่สามีจิกรรมนั้นนักนักกตวา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 อนัตติกรมณนยโยไม่พึงล่วงละเมิดตลอดชีวิตอธิบายคารุ ธ, ธรรมข้อที่สองภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาดที่ไม่มีภิกษุท่านกำหนดลักษณะอาวาดที่ไม่มีภิกษุคือกำหนด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 แต่หากว่าพวกญาติหรืออุปถากบอกแก่พิกษุณีทั้งหลายว่าขอจงอยู่เถิดแม่เจ้าพวกผมจะนำพิกษุทั้งหลายมาเพื่อให้โอวาดเอาว่าเช่นนั้นควรอยู่ได้หรือพิกษุทั้งหลายต้องการทำเพียงปรร a m กิ่งไม้เพื่อพักแรมคืนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะไปแต่ถูกพวกชาวบ้านนิมนต์ไว้ให้จาพรรษาที่นั่น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 สำนักนี้มีอยู่ไม่เกินกึ่งยอดของสำนักของภิกษุภิกษุณีที่อยู่กึง่งยอดพึงไปอยู่สำนักของภิกษุณีที่อยู่ไม่เกินกึง่งยอดพึงบอกว่าสำนักของตนอยู่ห่างจากสำนักของภิกษุเกินกึ่งยอดแต่จะมาฟังโอวาทและทำอุโบสถในสำนักของท่านจากนั้นพึงไปบอกให้แก่ภิกษุทั้งหลายทราบหากพวกภิกษุทั้งหลายยินยอมรับรองแล้ว ตั้งแต่นั้นไปภิกษุณีเหล่านั้นพึงมาสู่สำนักภิกษุณีเหล่านั้นแล้วกระทาอุโบสถหรือเยี่ยมเยียนภิกษุณีเหล่านั้นแล้วกลับไปทำอุโบสถยังสำนักของพวกตนก็ได้กรณีที่ภิกษุทั้งหลายมายัางวิหารในวันส4บี่คาำก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อต้องการอยู่จำพรรษาพวกภิกษุณีพึงถามว่า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 อธิบายคารุธธรรมข้อที่สภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถและเข้าไปฟังคําสอนจากพระภิกษุสมทุกกลึงเดือนในวันอุโบสถสิบห้าคภิกษุณีพึงไปถามอุโบสถในวัน14บสี่ค่แห่งปักวันอุโบสถ14บสี่ค่พึงไปถามอุโบสถในวัน13บสามค่ำแห่งปักในวันอุโบสถภิกษุณีพึงเข้าไปฟังโอวาทว่าด้วยคารุธธรรม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 ถ้าภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้นสั่งสอนธรรมอย่างอื่นต้องอาบัตทุกกฎถ้าพวกนางตอบว่ายัางไม่พร้อมเพียงเจ้าข้าภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วนั้นกล่าวสอนครุธรรมแปรต้องอาบัตทุกกฎไม่ให้อวาาแต่สั่งสอนธรรมอย่างอื่นต้องอาบัตทุกกฎ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 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้เป็นครั้งที่สามท่านเจ้าข่าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นผู้กล่าวสอนภิกษุณีการสมมติภิกษุผู้มีชื่อนี้ให้เป็นที่กล่าวสอนภิกษุณีชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูด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 คุณสมบัติ8อย่างของภิกษุสมสมมติให้สอนภิกษุณีต่อมากลุ่มพัสฉับพคีได้สมมติกันและกันขึ้นเพื่อสอนภิกษุณีเพราะหวังว่าจะได้ปัจจัย4จากพวกภิกษุณีพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดคุณสมบัติของภิกษุผู้ที่จะได้รับสมมุติจากสงฆ์ต้องมีคุณสมบัติ8อย่างดังนี้1เป็นผู้มีศีล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 ขอภิกษุณีสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่งของสงถึงที่แล้วสงพึงส ม, มุติภิกษุณีชื่อนี้ให้เปารนาต่อภิกษุสงแทนภิกษุณีสงนี่เป็นยัตติข้าแต่แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงส ม, มุิภิกษุณีชื่อนี้ให้ปปารนาต่อภิกษุสงแทนภิกษุณีสง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 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเจ้าค่าภิกษุณีสงปรวรณาต่อภิกษุสงด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ฟังก็ดีด้วยรังเกียจก็ดีขอภิกษุสงจงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวภิกษุณีภิกษุณีสงเห็นอยู่จากทำคืนคือไม่ทำอีกข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเจ้าค่าแม้ครั้งที่สอง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 ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวพวกภิกษุณีภิกษุณีทั้งหลายเห็นอยู่จักทำคืนถ้าภิกษุสงฆ์ไม่ครบองค์พึงกล่าวสามครั้งอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าภิกษุณีสงปรารณาแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ตามเมื่อไม่ครบองค์แม้สองฝ่ายพึงกล่าวสามครั้รงอย่างนี้ว่าข้าๆๆ แ, แต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายปรวนาแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทรงกำหนดให้ภิกษุณีปรวนาในภิกษุณีสมก่อนแล้วปรวนาภิกษุณีสงและห้ามปรวนาพร้อมกับภิกษุทั้งหลายหากฝืนธรรมต้องอาบัตทุกกฎหากไม่ปรณาต้องอาบัตปาจิตเต อธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่หภิกิุณีเมื่อต้องครุ ธ, ธรรมคืออบัตสังคาทิเศตต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่ายสังคาทิเศตของภิษุณีชื่อว่านิสารนียะเพราะต้องขับออกจากหมูแต่ไม่มีปริวาสสำหรับพิษุณีแต่ฝ่ายพิกษุหากปกปิดจะต้องอยู่ป ร, ริวาสก่อนประพฤติมานัต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 สีมาเล็กผูกเฉพาะโรงอุโบสถที่อยู่ในมหาสีมามีสีมันตริคั้นนางภิกษุณีผู้ต้องอาบัต์นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีสง์ห่มผ้าเฉวียงบาไหว้เท้านางภิกษุณีผู้แก่กว่าแล้วกล่าวแจ้งว่าตนต้องอาบัติหนึ่งตัวเป็นต้นแล้วขอประพฤติปักขมานัดซึ่งภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถจะสวดประกาศให้ภิกษุณีสงทราบด้วยย ต, ติ จตุตกกรรมมาวาจาเช่นก้าแต่แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้านางภิกษุณีชื่อนี้รูปนี้ต้องอบัตหนึ่งตัวชื่อคามนตราเธอขอปักขมานักต่อสงเพื่ออบัตหนึ่งตัวถ้าความพร้อมร่งของสงถึงที่แล้วสงพึงให้ปักขมานัดเพื่ออบัตหนึ่งตัวชื่อคามนตราแกนางภิกษุณีชื่อนี้ นี่เป็นวาจาประกาศให้รู้คาแมนตราได้แกอ่อับด์สังคาที่เศษข้อที่สคือภิกษุณีรูปเดียวเที่ยวไปสู่ละแวกบ้านเป็นต้นเป็นอาบด์จบกรรมวาจาแล้วเรียกภิกษุณีผู้ต้องอบับด์นั้นว่ามานัตตจาริกาคือผู้ประพฤติมานัตเธอพึงสมาทานวาดัดแล้วพึงบอกแก่สง์คือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประพฤติมานัตของภิกษุนั่นแหละและ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 แล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดส่งภิกษุณีสีรูปไปในสถานที่ทาวินัยกรรมของเราทั้งหลายเถิดซึ่งพระมหาเถระหรือพระธรรมกถึกจะไม่ทำการสงเคราะห์ไม่ได้ต้องกล่าวตอบว่าเราจะส่งไปให้ในกรุณธีแนะว่าให้นางภิกษุณีผู้ประกัดตะสีรูปพาภิกษุณีรูปที่ประพฤติมานัดออกไปแต่ภายในอรุณ ให้เกินสองเลธุบาทแต่อุปจาระบ้านออกไปแวกออกทางใหญ่นั่งในที่มีกอไม้หรือรั้วกำบังไว้พึงให้เกินสองเลทุบาทนับแต่อุปจาระของวัดออกไปฝ่ายภิกษุผู้ประกตศตะสีรูปพึงไปในที่นั้นไปถึงแล้วไม่พึงนั่งในที่เดียวกับภิกษุณีทั้งหลาย พึงหลีกไปนั่งในที่ไม่ไกลกันในมหาป จ, จารีเป็นต้นแนะว่าแม้นางภิกษุณีทั้งหลายก็ควรชวนอุบาสิกาหนึ่งสองคนซึ่งเป็นผู้ฉลาดไปด้วยเพื่อประโยชน์แก่การรักษาตนฝ่ายภิกษุทั้งหลายก็ควรชวนอุบาสกหนึ่งถึงสองคนไปด้วยเพื่อประโยชน์แก่การรักษาตนครั้นภิกษุทั้งหลายนั่งแล้ว